ในเ ร, รื่องในทำตึกทุกท่านก็ต้องทำกันให้เก็บข้อมูลไว้ในการได้ยินได้ฝังทำในใจปฏิบัติตามให้เป็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเก็บข้อมูลต่างๆ มีสติมีจิตวชัญญะฟังคำพูดแม่นานได้จำการที่จะทำแม่นานได้เรียกว่าสติจ ช, ชัญญชนยะการพูดการแสดงทำไหน ย, ยังไม่จนมีแต่เรื่องที่จะบอกกันสอนกันไม่รู้จกยิ่มูผู้พูดั ผู้ฟังก็จะอิ่มอย่าเบื่อหน่ายบัณฑิตไม่อิ่มด้วยศีลด้วยธรรมไม่เบื่อหน่ายนักปราชญ์ก็ไม่อิ่มด้วยศีลด้วยธรรมเกาะน้าทะเลไม่อิ่มโดยน้ําบัณฑิตนักปราชญ์ไม่อิ่มด้วยศีลด้วยธรรมใ้พัฒนาตนงตุนแดง ในด้านการต่างๆจต่จะเปรียบก็เหมือนการยะเยียดก็ว่าได้แต่ไม่ใช่เยัดเยียดเหมือนพ่อแม่เหมือนแม่ป้อนข้าวลูกโตก๊กดโต๊กน้อยมันอ้าปากไม่เป็นจะรอให้มันอ้าปากไปบอกมันมันไม่รู้เรื่องแม่ก็อ้าปากให้ดูยิ้มให้ลูกดู เวลาป้อนข้าวลูกงองหน้าลูกน้อยของตนแล้วก็อ้าปากํทาท่าพูดอ่างโน้อนอย่างนี้อ่าปากโลกน้อยเห็นแม่เห็นใบหน้าของแม่แล้วก็อ้าปากยิ้มใส่ลูกลูกก็ยิ้มพอเป็นยิ้มกันน้าปากแม่ก็เอาข้าวใส่ปากทันทีลูกมันก็กืน เมื่อมันกินข้าวเป็นมันก็เจริญเติบโตการกินข้าวแม่เป็นผู้ให้ป้อนเข้าปากแต่ว่าการกินเป็นหน้าที่ของลูกแล้วการเจริญเติบโตก็เป็นหน้าที่ของลูกเขาเติบโตเขงเองก็เนื่องด้วยกันอย่างนี้การสอนทำก็เหมือนกันก็แค่ก็ ย, ยืดยัดให้ไปบอกให้ไป อัจให้เข้าไปให้เราคืนดเราเองทำเองจเจริญเติบโตเองด้วยสิน้ดยธรรมโดยเฉพาะการปฏิบัตินี้ยิ่งชัดเจนที่สุดอาจจะไม่เหมือนอุปมาอุปมาเหมือนแม่ป้อนข้าวลูกแล้วก็ทำได้ทันทีนลูกก็จะรอวันรอเวลาจึงจเจริญเติบโต 1ขวบสองขวบถ้าหนึ่งขวบก็เดินเดินได้ลูกได้แต่ยังไม่ถึง1กขวบก็ลูกไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมในอ่อาจจะเป็นอุคติจตุโยบุคคลพอฟังปับรู้ปับทันทีเข้าใจทันทีเช่นบอกว่าให้มีสติรู้สึกตัวไปกำมือเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกกำมือเคลื่อนไหว เวลาใดที่มันหลงมันไม่ใช่สติเราก็เปลี่ยนสติเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ทําได้ทันทีจเจริญเติบโตขึ้นทันทีรู้จักทิศทางทันทีช่วยตัวเองเป็นได้ทันทีไม่เหมือนเด็กน้อยนี่คือการสอนอกฎเกณฑ์ปรัชญสภาวธรรมผู้สอนก็ผู้พูดให้ฟังก็สบายใจเพราะไม่ได้หลอกลวงกันถ้าหลอกลวงกันไม่ได้ผู้ปฏิบัติ ผู้ฟังก็สบายหลอกลวงกันไม่ได้ทั้งผู้ฟังและผู้พูดไม่มีโอกาสหลอกลวงกันเลยให้ฟังเอาฟังดูฟังดูเหมือนตาดูออกเห็นด้วยตาทำด้วยมือเสียก่อนจึงน้อมใจเชื่อลงไปเหมือนเรื่องหนึ่ง จำของวัดฟังเรื่องจำมีไ อ, อหนุ่มคนหนึ่งแต่งงานกันใหม่หมอยู่กันได้ไม่กี่เดือนกี่วันก็เกิดควาแมแห้งแรงก็จำเป็นต้องลาเมียไปหาทำงานหาเงินห่วยจูนเจือครอบครัวก็ไปแล้วก็ไปถูก โอกาสเขาพ้นด้านทองไอหนุม่มคนนี้กำลังหางานทำก็เห็นเขาวิ่งตำรวจไล่มาพวกเคียก็วิ่งไอคนนี้ก็วิ่งไปกับเขาตำรวจก็ตามตาจับได้จับได้ก็ตดสินติดคุก1ิปี10าิบปีสิบกว่าปี แล้วก็ไม่ส่งข่าวทำลายเอกสารหนวดติดคุกติดกลางสิปีขณะที่ติดคุกติดกลางก็มีพระมาเทศหลวงพ่อก็เคยไปเทศตบรมนักโทษเหมือนกันพระท่านพูดว่าเมื่อได้ยินทางหูก็อย่าเพิ่งเชื่อนะ เมื่อเห็นทางตาก็อย่าเพิ่งเชื่อให้ได้ถามดูถ้าเห็นด้วยตาให้ไปจับดูก็เห็นทา ง, งาหูก็ให้ถามดูก่อนจึงเชื่ออะไรก็เหมือนกันนะอย่าเพิ่งร้อนใจพอดีหนุ่มคนนั้นก็สิน้นโทษออกจากคุกตลางนะก็ลกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็พอดี หลายปีนะออกจากพวกเราก็ไปหาเงินหาทองพอกลับมาบ้านได้ก็เป็นสิบกว่าปีมียาอยู่บ้านก็นึกว่าสามีของตนตายไปแล้วทำบุญดูทิศให้แล้วแล้วก็พอดีมาเจอเพื่อนบ้านกันก็เติดนเต้นอ้านึกว่าตายไปแล้วเมียเขาทำบุญให้ไปแล้วแล้วก็พูดต่อไปว่าเมียากาเอาผัวใหม่แล้ว แล้วเมื่อได้ยินว่าเมียเอาหัวใหม่ได้ยินทางหูก็ยังไม่เชื่อหรอกต้องเราเห็นเสียก่อนเห็นทางตาเสียก่อนไปดูเขาก็ถ้าายไปดูเวลานี้กําลังอาจจะกินข้าวเดวยกันอยู่บ้านะก็ไปดูเขาเห็นกินข้าวเดียกันผู้หญิงก็คือนียของตนแต่ผู้ชายไปรู้ ก็มีคนสองคนตั้งจิงข้าวด้วยกันพอจิ้มข้าวเสร็จก็เข้าห้องบ้านปิดประตูด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งเมียตนแต่ผู้ชายไม่รู้เห็นทางตาเชื่อหรือยังนะเชื่อหรือยังได้ยินทางหูเชื่อหรือยังเห็นทางตาเชื่อหรือยังเป็นกวีเชื่อไหมเห็นกับตาแล้วเชื่อไหมพระท่า <laughs> นบอกว่าอยเพิ่งเชื่อ ให้ได้ถามดูก่อนถ้าด้า น, นก็โกรธเต็มที่แล้วหรือว่าเมียเนี่ยเอาผัวใหม่ตั้งแต่ที่ตัวเองก็รักเมียอยู่ก็เลยยังอีกกันนไหมต้องถามดูก่อนอขึ้นไปบนบ้านเขาบอกเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูะตก็พ่วงเหยียดทำลายผู้ชายคนนั้นแต่ฆ่า เมียก็เปิดประตูออกมาพอเห็นสามีของตอนก็จำได้ก็โกรธร้องโหยร้องไห้ท้งสามีก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจว่าใครนอนอย่างนั้นเมียก็ยังไม่พูดบอกที่ใครนอนอยู่เนี่ยถามดูเอาใจเป็นใครเขาลูกของเราเองนะอ้ากแลวบกว่ปีเมียตั้งคันหนีไป ไม่รู้ก็ก็จิบกระเบืก็โตแล้วพอบอกพ่อลูกเท่านั้นหมอเขาวอนวเกือบฆ่าลูกตัวเองตายอันนี้เรียว่าเห็นทางได้ยินทางหูได้เห็นกับตายังไม่ได้ถามถามเดิก่อนถามเดิก่อนนี่เรียกว่าสติสัมปชัญญะพระท่านสอนได้ท่านสอนธรรมะนี่ก็เหมือนกันให้ได้ยินทางหู ได้เห็นกับตาได้ทำดูกับตาเราหลงข้อสอนอย่างนี้สอนตรงนี้ได้ทาดูการทำความรู้สึกตัวมันมีคำตอบและคำถามอยู่ในตัวของเราไม่ต้องไปถามใครให้อยู่ในตัวของเราเองจึงสอนกันจึงจึงเป็นเรื่องที่บริสุทธ์ทั้งผู้สอนและผู้ฟั ง, ผ, ฟงผู้ปฏิบัติตามด้วยความพอใจด้วยศรัทธา มีความเชื่อว่าเป็นหลักก็ไว้ว่าทำดีข้อดีทำชั่วข้อชั่วมีสติมีสัมชัญะญเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วคาสอนเราเนียมานานแล้วแต่เวลานี้เรามาทำาดูจริงๆว่ามีสติมีสัมชัญญะกับกายกับใจกับเวทนากับความคิดที่มัน พอให้หลงพัดไปกับอาการต่างๆก็ ร, รู้ทันหลายฉากที่มันหลงไปไม่มีสติหลายเรื่องที่มันหลงไปไม่มีสติแล้วก็จระบการณ์เราเราก็รู้ได้เปลี่ยนได้เห็นกับภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเรามีสติมีจําชัญญะก็รู้ไปนะอันนี้จะเริญนเติบโตเองไม่มีใครให้เรา จะเริ่เติบโตในสิ่งที่มันผิดเมื่อมันผิดเติบโตในความถูกต้องจะเริ่เติบโตในความหลงงันหลงก็ทำให้เจริญเติบโตในความไม่หลงจเริ่เติบโตในความทุกข์เมื่อมันทุกข์ก็ไม่ทุกข์จเริ่นเติบโตในความไม่ทุกข์ในขณะที่ตรงกันข้ามพอดีทุกวันที่เราปฏิบัติมักจะลุยอยู่กับเรื่องอย่างนี้เพราะมันมีอยู่กับเรา ของที่มันไม่จริงมันก็มีอยู่ของที่มันจริงมันก็มีอยู่จริงแบบไม่จริงจริงแบบจริงสิ่งที่ไม่จริงกลายเป็นเรื่องดีเช่นเราสรวจเมืเ่อกี้สเปสังขาร ى, อันนี้จติญาธาปัญญาจะปัิสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อบได้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ทุลโลงนั้นแหละเป็นทางแห่งพระิพพานอ้าวพระนิพพานอยู่ในควมามไม่เที่ยงเนี่ย พระนิพพานมอยู่ในความเป็นทุกข์นี่เหลือพระนิพนพานอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนที่คนทั้งหลายเอามาเป็นการลงโทษไปลงโทษไปรู้จีข้างโฉนความทุกข์ความไม่เที่ยงก็กมาเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นทุกข์เมื่อบุกคอนเทนด้วยปัญญาแล้วนั้นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอย่างเนี้ยที่ก็เปลี่ยนเรียกว่าปะติปะติปะติปฏิบัติคือเปลี่ยน ได้เป็นดีเป็นสติเป็นปัญญาหาได้จากความทุกข์หาได้จากความไม่เที่ยงหาได้จากความไม่ใช่ตัวตนสิ่งเหล่านี้มันผ่านตาในเราเมื่อเราลงมือปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันก็พัดไปกับเขาไม่เห็นเป็นไปเลยไม่เป็นผู้เห็นเป็นผู้เป็นเข้าไปกับสิ่งต่างๆเมื่อมันเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ เป็นอไรต่างๆเขาจัดสรรให้เราเอาใจเราไปรับใช้เอากายเราไปรับใช้จริงต่างๆจนไม่มีศีลาภาพเป็นธาตเป็นจีค่าของความทุกข์เป็นจีค่าของความหลงเราจึงมาศึกษามาปฏิบัติธรรมอ่าหลวงพ่อก็กระตือรือร้นเรื่องนี้ เพราะประสบการณ์มาด้วยตัวเองไม่ได้จำใครมาสอนเอามาพูดเรื่องที่ประสบการณ์มาในการปฏิบัติเหมือน ก, นกันกับพวกเรา ล, ลุยมาเหมือนกันกันกบพวกเรานั่งสร้างจังหวะเดินจงกงอยู่ในป่าอยู่กับหมูกับมิตรเพื่อนดีก็มีเพื่อนเลวก็มีคนชวนให้หลงก็มีชู้ชวนให้ลูกก็มีเราก็รู้จักเลือกรู้จัก จ, กจกัดสรรรู้จักจ พัฒนาตนเองไปกับภาวะการต่างๆอย่างนี้เคยถูกในดวงแห่งความหลงตกอยู่ในดวงแห่งความทุกตกในดวงแห่งความอะไรต่างๆเจอแยะที่มันเกิดกับกายกับใจเราบัดนี้มันไม่หลงมันได้ปัญญาได้ปัญญาแล้วปัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ เรียกว่าปัญญาพุทธะเป็นการรอบรู้ในกองสังขารอันนี้แหละเป็นปัญญาในสังขารที่ว่าเป็นทุกในสังขารที่และมันเป็นปัญญาสังขารเป็นทุกสังขารลาปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกเนอวิสังขารลาปรมังนิพพานังประมังสุขของนิพพานเป็นทุกเดสังขารเป็นทุกการหยุดสังขารเป็นวิสังขารเป็นนิพพาน ท่านผู้ลูกเก่าวพระนิพพานว่าเป็นความสุขอันยิ่งเนี่ยมันก็อยู่ครับเราดีเองไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปขอร้องที่ไหนเอาดีจากคนดื่นเอาดีจากอะไรต่างๆมากมายไม่ใช่แล้วอันกลับมาฝึกตัวเองมาฝึกตัวเองด้วยกายด้วยใจของเราที่เอามาลองรับ สรางรวมรู้จึกตัวมีสติมีสำเนียงมีความเพียรมีศรัทธาให้หลายๆอย่างเสริมกันเข้าไปบางอย่างก็มีศรัทธาศรัทธาล้วนของโง่ไปเลยอะไรเขาเชื่อเป็นศรัทธาศรัทธาวิปปลิทธศรัทธาหัวเต่าศรัทธาวิปปลิทศรัทธาต้องเป็นศรัทธาสมประยุทธ์เป็นศรัทธาที่ กองออกมาแล้วเหมือนเราเคี่ยวอาหารมันเคี่ยวแล้วเรียกว่าทำไมวิจัยะเคี่ยวแล้วจะค่อยคืนลงไปความเชื่ออะไรที่มันจะต้องคืนลงไปเป็นน้อมใจเชื่อน้อมมาใส่เราคืนลองดูนะมันก็มีประโยชน์นะเร้จกเคี่ยวไม่เหมือนจออะระเข้ จอร์เขมันเคี้ยวอาหารเลยเป็นเวลามันกัดแล้วมันก็ได้อะไราขาดติดปากนึนมันก็กกืนลงไปเลยท่านจังทำวันหนึ่งเพื่อนถามทำไมเขาจึงทำลูกตะขาบลูกจอรเ์เข่ลูบดังนางรันา ง, นางมัดฉาเวลาเขาทอดถิน่นปักไปหน้าวัด มีไหมทางอ่าเชลียวรีทางจัตเจงเ ส, สามีไหมเราเราตอกระถินแล้วเราเวททงตะขาบมีภาพจาเจ้าระเข้มีภาพนางมัตฉาฝากไว้หลวงพวกก็จํามาเรื่องเดิมหลานเจ้าระเข้มันจินอะไรมันไปเคี่ยวตะขาบเวลามันกัดมันตอดมันก็เจ็บปวดนางมัตฉาเนี่ยเวลาขึ้นบอกก็เป็นคนลงน้ำก็เป็นนางมัตฉาเป็น ผู้รับกระถินสมัยก่อนโน้นหรือว่าเป็นอันตรายเป็นอาติเลกกระราบของเขาถูกพระสงฆ์คัดเลือกมาว่าให้เป็นผู้มีศีลสุตตาที่คุณสามาร ถ, ถทำกะถินและตาลจิตให้เสร็จทิ้นตามพระบุรงพุทานุิญาตได้ถ้าสงเห็นสมควรแล้วถ้าสงเห็นไม่สมควรจงนิ่งเสีย ถ้าเห็นถ้าสงเห็นจังควนเราจงสาธุโมตนาขึ้นความกันพวกเราสาธุเพราะว่าเสียงสอนมากให้เราแล้วสาธุแล้วหลวงพ่อเคยไปเห็นนะอยู่วากช่องจำหมอสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่เมืเลยกลับมาวัดเข้าวัดไม่ค่อยติดก็วัดบ้านตัวเองใส่พอลอกพอเลี้ยงไกลเทศแหละเทศชีย ง, งนง้น มันอายตัวเองสองสารตัวองอยู่ดีๆเวลายมมาสงเช่าสงแฟนก็เทศแหลขึ้นเจ้าท่านเจ็บท่านหาเป็นเทบว่าอุจจา้าย้อนย้อนเ้ยโยมเด้อขึ้นสวรรค์ของน้องอย่าบ้ า, อาออของโยก ข, ขีดินชอบไหมแถวเนี้ยไม่เหมือนพ่อสอนนะใช่ไหมถ <c oughs> ้าเจิตท่านหาเป็นเทบว่ า, าอุันา้าย้อนยอนปวลระเบ้อ ชอบจมก็ชอบไหมขี่น้อยไปยู้ขี่ฝ่ายันจรเพื่อนจะอยู่ได้หรือขี่ฝ่ายันอนแต่ขึ้นมาสาราเนี่ยก็ตกใจแล้วถ้ามีบันไดขึ้นจะหลงยากแล้วจะไปยู่ขี่ฝ้าก้อนเม่จันจรจะไปอยู่ไงหลวงพ่อขี่เครื่องบินชนมาหลายก้อนแล้วสี่หมืนเมตรสี่หมนฟุตไปข้ามมหาสมุทรไป พีอ่ อ, เ, อเมริกาก้อนเมฆมันก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกแต่เราขึ้นสูงกว่าก้อนเมฆมองลงมาเห็นฝ้าเหลี่ยมเวลาฝนตกแป๊บแป๊บแ ป, ป๊บอยู่โดนอยู่ต่าําเราจะสูงกว่าฝนเวลาลงมาก็เห็ น, นก้นอนเมฆชนก้อนเมฆก็ไม่มีบ้านเทวดาที่ไหนเทวดาอยู่เนี้ยในหัวใจเรานะ ว่านหนวงพอ่อแท้จากนๆเราพ่อเข้าใจเรื่องในดีบมามัหล อ, อกวงกันนะเนี่ยจะเอาเงินเอาทองเข่าเขาก็มนขอ้อยเอาเงินใส่เ็าเรียก ว, ว่าใส่อะไรใส่ผ่านแถมสมผลถ้ายอมจบินใส่ผ่านอายิ่เอาอีกหลายก่อนเข้าไ ป, ไป ได้เคยาำด้เคยคุ้นาน่าแย่เคยแบนในี้ควงๆเคยไปสงสารตั้งแต่ยืน่าด้ทุกได้เจอเขาว่าไปแถวสะพานเลยคนนั่งก็ง่ยคนนี้ก็ง่ยายแวเจ้าเยก็แถนสะพานนลเทศเยอมก็ชอบมากหลงพ่อไปเทศธรรมะไม่มีใครฟัง <laughs> เยได้เข้าวัดบ้านแล้วหนีๆไปโน่นปักซ่องซ้ำง ไปนั่นไปเจเขาทอดกระถินออกพรรษาใหม่ๆ ม, มีพระละที่จําเป็นพอไปทอดไปเจเขาทอดกระถิ่นก็บอกคระว่ามีหลําข้อสามลกูกหลวงพอ่อย่าบอกยมว่ามีพระ อ, อยู่นี่นะไปรีบบนกรติไปเลยแล้วก็ไปรีบบนกรติอย่าบอกใครนะว่ามีพระมาอยู่นี่อย่าบอกเขอบุญบนนะอืให้พากันรับกระถินไปเลย พอรับกระถิ่นแล้วจะบ้านถวายของพระจะบ้านกลับไปหมดแล้วพรวงพ่อจึงก่อแกะไปิดแล้วก็มีพระตามมาถามหาขันองค์รับกระถิ่นถามหาปิ๊บน้ามันผมเห็นเขาถือขันมากติหลวงพ่อเนี่ยปิ๊บน้ํามันเขาก็มาขึ้นกติหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อองเขาถือขันมาเขาถือปิ๊บน้ำมันมา ก็บอกว่าเขาถวายผมเขาจะมาให้กตีผมไม่ใช่ผมเป็นคนลับปะถินเป็นของผมหมดเลยแียงแงกันเลยขันกับกับพิษน้ำมันนะเอาไปมาทะเลาะกันเลยนี่คือพิษสงของราบจากกักร ล, ละเสียงฉลเถินอยาดหยอบเป็นอันตรายแเผ็ดต่อกันบรรลุกรควนได้ผ่านเหมือน อ่าตะขาบมันกัดเข้าไปเหมือนจอร์เขยมันจินอะไรที่ไม่เขี้ยวไม่ครบเจาะกอนก็แค่นั่นก็เสียดายขันใบเดียวก็น้ำมันก็ปิ๊บแต่น้อยจำไว้ก่อนมันไม่มีไฟฟ้านะมีพิ๊บน้ามันพวกเราเสื้อน้ามันมาใต้มาเ อ, อเห็นเหโอ้นี่ละจร์เขยนี่เละตะขาบที่มันกัดเอาเก็บปวด ก็ถือว่าเป็นลาภของเราก็ดีใจพอใจเอาไปมาก็ไปหากระถิ่นด้วยตัวเองหามาทอดเราก็รวยไปนับหมืนห่นละเท่าไรพันเอามาถ้าได้แสนหนึ่งจะให้มื่นหนึ่งถ้าได้สองแสนให้สองหมื่นสามหมื่นมี วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเกิด ข, ข, ขึ้นในโลกตัวนะเพราะคนหลงราบสักกะละมากๆากไปทีเดียวหลวงพ่อเลยสอนเรื่องนี้กันอย่าไปหลงพวกเรานะถ้าจะให้ก็ให้อันที่มันเป็นประโยชน์เป็นส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวเป็นปุกคฤิิฐานให้เป็นสังฆฐานแม้เป็นบุคคลิทานถวายหลวงพ่อหลวงพ่อขอไปให้เป็นส่วนรวมใช่จ่ายเป็นส่วนรวมไม่ใช่เอาไป ฝากธนาคารเพื่อเป็นของตนล็อกซอไว้ยินดีพิจุยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องเอาบัติเหมือนกันแม่บางบางข้างไหนพระไม่รับทั้งบมดแต่พระต้องเอาไปฝากให้มีใบอันโมทามีใบใบอะไใบอไว้ไว้ก่อนหมอาถาวายล่องพ่อ สองรอยบาทเอาเอาใบมามาให้หลวงพ่อทำไมไปอยู่วโมกใบใบนิมนต์พระวัดโมกกับนิมนต์พระวัดอ่าอภัยวันวัดป่าอาภัยวันเปวัดธรรมยุทธวัดโมกเป็นวัดผาอิ่งกายพอดีไปทางานบนบ้านเขาเขาถวายอุทาน า, น, นาบาัตถวายปวารณาบาัตร แล้วนี่โยมคนเอาอนุวาละวัตปรปาวนาละวัดมาส่งแล้วก็ของมาส่งที่วัดแล้ว เ, เงินเขาไม่ให้มาก็เลยตามไปถามเอามายังเงินยางหลวงพ่อถ้าเอามาแล้วถ้าเอามาแล้วไปเข้าบัญชีเลยนะสองวันเขาจะ ม, มามหมไปถามอีกเอ้า ห, หลวงพ่อ โยมคนนัก็มีปัญหามากกันเลยทําไมหลวงพ่อไม่เอามาเลยนยทําไมให้เขาเอาาปให้มามันเล่นตลกกันไหนถ้าใจเอาอยู่นี่ก็เจ็บมาเลยไม่ต้องให้ผมยุ่งยากเ mm hmm. <c oughs> ขาพูอย่างนี้เนี่ยมันก็มียินดีไม่ใช่ไม่รับนะไม่ได้รับก็ยินดีที่เขาเจ็บไว้เพื่อตนอันนี้ก็ถือว่าเป็น บ, บัต ทพาะฉ่นเราซื้อๆวันนี้แม่ชีเอข้ามาถวายหลวงพอ่อใช่ไม <laughs> อม น, นี่นะอถ้าหลวงพ่อเอาไว้เพื่อประโยชน์ตนเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องบัตนะครับยินดีให้เป็นของสงฆ์ใช่เป็นส่วนหลวงใช่เป็นสาธารณประโยชน์นที้ิี่แม้นถวายหลวงพอ่อถวายจันดุจิถวายจันตุ่มจัน อ, อเทพเป็นเจ้าที่การ มอบให้ปเป็นเจ้าที่การเจ้าอธิการขังผู้เจ็บสมบัติของบัตรดูแลเจ้าที่การเสนาสะนะผู้แจกเสนาชนะอต่นี้อธิการเสนาสะนะจะให้แม่ขีใช่ไหมแม่คีดูแลอยู่สํานักงานใครมาก็มาเที่ยแม่ขีก็ให้ไปอยู่หล้านนั่งคติคุนเทียนอะไรเรียกว่าพอที่จะ ทำประโยชน์ต่อสองรับเป็นหน้าที่ไปกติใครั่วผ้าใครจะยอมสีเป็นธุระให้ยอมผ้าบ้างซ่อมกติรั่วให้บ้างให้ดังๆสงฆ์แต่มก่อนเขาสมัครเป็นอ า, อาธิการต่างๆรับแจ ก, กอาหารแจกขัดเวลาอาหารมารับเป็นธุระแจ ก, กด้วยความวรสุดใจ นี่เราประสรงไปบินธบาตไปใส่บาทมีเน้นน้อยรูปเดียวสุดที่ดังประเมตตาลังก็ไปสงได้ไม่ต้องสี่รูปสงคือไม่เฉพาะเจาะจงผู้เดียวไปบินธบาตเราไม่เข้าใครมาก็ใส่ไม่ใช่หลวงพ่อไปแล้วไปใส่หลวงพ่ออันนั้นบุคคลิฐานเป็นเฉพาะอุปกร์ ว่าให้เข้าใจพวกเราได้จะไดุ้ญดีเหมือนพนาง อ, าอะไรที่เป็นแม่น่าของพระพุทธเจ้านางพุทธสาวะทอผ้าไหมด้วยมือของตนมาถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้า ว, ว่าอย่าเลย ถวายสงดีกว่าประชาชนดียังวันว่าตั้งใจไว้ถวายแจกะองอยาเลยถวายสงดีกว่าเมื่อถวายสงมีผ้านอนมีผ้าวลีมีสองสี่โลกห้าลกยกผ้ามาถวายแล้วเมื่อสงเห็นดีใครที่หนึ่งผ้าขาดผ้าเก่าผู้มีพวกคุณในวัดว่า มีคุณงามความดีสมควรเสียรับผ้าใครขาดอย่างวัดเราถ้าผ้าไข่ขาดก็ดูแล ก, กันอก็แจกให้องค์นั้นมูสงก็เลยยกให้พระเจ้าเหมือนเดิมมันแหละไม่ได้ว่าเอามาใช่มือถาวายเฉพาะพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เพื่อให้พระแม่ได้คุณกุศลถาวายสงดีกว่าถ้าไม่มีสงทำไมมีองค์เดียวก็ถาวาย ถ้าสงศงจริงๆเรเป็นสงเป็นสงจริงๆเป็นสงที่เป็นสงสังฆาฏานไม่ใช่สงสมาชิกสังฆกรรมถ้าสงสมาชิกสังฆกรรมถ้ารับกรินต้ห้าลูกลถ้าโพชงบทกรรมทั้งสิบลูกถ้าอภัณฑกรรมยี่สิ็ลูกอันขาดไมได้ เรียกว่าสงสมาชิกสังขกรรมเอาดับรูปกี่รูปกีรป่รูปจึงเป็นสงแต่สงรับสังฆทานนี้ผู้เดียวก็ได้นโยบนะถือว่าเราบริสุทธิ์ใจแล้วเมเข้าถ้วยเดียวใส่ลงไป <c oughs> ไม่จอดจุ่มเรือว่าบริสุทธิ์แล้วตอนนี้อะไรก็ตาม ถ้าเรามาลูตัวอย่างเนี่ยทำอะไรมากจะถูกต้องทั้งหมดคร <c oughs> <c oughs> ัปฏิบัติธรรม น, นะฮะ <c oughs> อันเดินก็เป็นวิชาเล็กๆน้อยๆแต่เสริมตปวิชาเอกของเราเอกคือมีสติสัมะชัญญะอะไรก็ตามแต่อันเดินก็พอลู่ไปบ้าง <c oughs> วานนี่ยัดเยียดอะไรสักหน่อยลองหันหน้าไปทางพระ <c oughs> ครับคือสรด้วยซึ่งอันน่าทางนี้จุกลุ่มนะเนี่ยมลอันน่าทางนี้อันหน่าไปจริงๆเนี่ยอันน่าไปก็เรามีโต๊ะหมูวิชาโต๊หมูวิชาเนี่ยผมก็ไม่ค่ยชอบแบบโต๊หมูแบบชุดเจ็ดชุดเก้าชุดโต๊หมูที่เป็นชุดมาตั้งกัน เก้าุสิชุดเน่ยมันเกิดมาประมาณปีสองพันสี่รอยเก้าสิบของเป็นเงินแต่ตอนไม่มีอ่ะไปเงิน่นาร่ำวยเงนแล้วบ้านไปซื้อมาปีสองพันรเก้าสิบงปงินโอ้ตัหมูเป็นเงินเลแต่ตอนนั้มอก็ไม่ยเนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องจาเป็นแล้วตัวหมูจะลงลักปิดทองคุ้งาม แล้วก็มาชั่งไห้กับเจก้ามืขาอะไรเยอะๆบางวัดรักษาความอาดไม่เป็นแมวเลี้ยงแมวไว้แมวก็ไปขี้ในโตหมงีกแล้วก็ไปจินเข้ายู่นั่นหลวงพ่อหลวงตา เ, าเอาช่วยเาล่าเอาบาทเอาช่วยอาหารได้แมวก็ไปจิ้งไปฉันอาหารไ <c> ป <oughs> แล้เดินทางไม่จัตานไปฉันอาหารที่วัดเนี่ยผมก็นั่งอยู่กับตะหมงขี้แมวฟองเนี้ยก็จะ ไม่ดูขี้แมวออกมาจีนเข้าอ๋อจีนเข้าไปก็ทํางใจไปเลยไ ม, ไม่ไม่มีอะไรขี้แมวโรสอ่าหลวงาท่านไม่ดูแลเลยเลยไม่ค่อยจากผมต้องการจะบอกทําไมที่นี่ไม่มีโต๊ะหมู่บชามีมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีทื่ศาลาหน้าเราก็มีเแล้วเมื่อมีโตกหมู่อย่างนี้เราจะวางเครื่องบูชาอย่างตามหลัก ของาธเต็มทีของพรสอนให้ดูบ้านเพราะพวกเรามีข้าด้วยการดมาบวชมีดามาบวชเพื่อจะได้ดูแบบแล้วก็ให้ดูหน้าเราครับใบหน้าของเราเนี่ยอะไรที่มันเป็นคู่ดูหน้าเราสิหูหูสองหมูเอาไวต้ตรงไหนเอาไว้สองข้าง <c oughs> เอาหูตรงหูไว้ตัวกาเป็นใช่แบบ ของที่มันคู่ไหวสองข้างเหมือนเชิงทูบเจอเชิงเทียนกระถางทูบมันมีไอ้เยียนกระถางทูบแมนเดียวเหมือนจะมูกเราปากเราไหวกลางๆของที่มันมีอันเดียวไว้ตรงกลางเหมือนหน้าเราเหมืนหน้าลราลเชิงเทียนเขาจะมีสองอันเสมอกถางทูบจะมีอันเดียวแล้วก็ เจอกันดอไม้ก็จะมีสองนันเป็นคู่เพื่อตั้งก็หมู่หมู่เกตหมู่เก้าแล้วก็มีผัเงินโัทองแล้วก็มีดอกวงตองดอวงเงินเอาโพทองไว้ทิศไหนทางไหนโพเงินไว้ทางไหน ส่มากจะไห้หัวมือพระประธานพระพุทธรูปอัญชีสีทองอัญนนชิงหรืไในใช้มือพระพุทธรูปอยอาสีสีทองไว้หัวมือเอาสีทองไหวหัวมือเอาสีเงินไปไหวใช้มือพระประธานเราไม่ก็เหมือนกันอันนี้เราก็ไม่มีที่ตั้งเช่นเขียนแพ มีอันเดียวคนที่ไม่วางรลางแล้วมีที่วาเพ่าเป็ mm. ร, รูปถ้าโต๊ะห ม, ม, มูมันมีมันมีเจ็ดชุดแล้วก็มีแถวกลางมีแถวของส่วนมากก็มีสามแถวแถวกลางแถวของถ้ามันเป็นเป็นพูจะรูปมีสองรูป ก, ก็ไววสองข้าง เอาจะพานะปูตลูปแหวนโตโม่ห้ามเอารูปของหลวงพอ่อหลวงตามาตั้งบางวัดเนี่ยเอารูปหลวงพ่อแวนเอารูปหลวงพ่อทวดไปตั้งโตโม่รูปพระพุทธเจ้าอะไรดีไปแล้วไม่มีแล้วมีรูปหลวงตาไปตั้งแทนอันนั้นถือว่าไม่ถูกต้องถ้าเห็นนั่นก็อย่าไปทําเอาออกเอาปูตรูปไปใส่เป็นที่ของปฏิสธฐานพระปฏิบาตกรรมเรา อ, อาออกไปอย่าให้ เราพระพุทธรูปไปตั้งต๊ะหมูต่ำถ้าตั้งกำแพงในงข้างกำไว้ลำต่ำถ้ามีงานที่เป็นงานเฉลิมไตรเกียรติที่มีข้าราชการมาร่วมในวัดในบาเราเขาจะเอาชาติศาสนาพรมาเะชาติหมายถึงตรงชาติอยู่หัวมือพระประชานศาสนาก็คือพระพุทธรูปามาเสด็จกับรูปพระ เ, รพเจ้าเป็นดินมาใส่ ขาตั้งไหวตั้งใต้พระประธานแล้วก็ไม่นิยมดอกไม้กระดาษไม่ก็นด้ยมเครื่องบูชาอะไรมากมายมีอันละสองอันไม่มเหมือนกันมันมีพระประธานที่มีรูปเดียวไมนมีหลายรูปถ้าเจตนานพวกเราแฝงท้าราการเมื่อเมื่อวันแล้วถ้าไม่รู้เลยเราจะว่าเสียยี่ห้อวัดป่าจะรุตต้อบอกกันไว้นะบอก แล้วก็เวลาจุดทูปจุดเทียนเขาเดียวมาจุดทางหัวมือผ่าฐานก่อนแล้วก็มาจุดใช่ไหมแล้วธูปเนี่ยถ้าจะจุดให้ไหวไม่ต้องรอเราประทานจุดทูปเทียนพวกเราต้องฝันมือถ้าจุดทูปแบบเนี้ยมันนานเกินไปวิธีที่ที่สะดวกก็คือเอากา้านธูปเนี่ยอายาหมอง พาฝไฟกันทูกหรือบางทีเขาสําลีสำลีนะั่นน้องให้พันไวเอา้นยมันใส่ไว้นี่จุดรูปหัวมือไปทานแล้วจุดรูปที่สองจุดรูปที่สามจุดรูปคูป่ถ้าไม่มีเขาเตรียมไว้อย่างนี้ล้วจะไปจุดไปฉีดจุดทีละอันดันดไม่ได้ก็อถอดออมาทั้งสามอะไรเถอดออกมาทั้งสามแล้วก็มาจุดเทียน หัวมือพ่อชันที่มันจุดไปแล้วพอจุดเทียนเสร็จแล้วเราก็ค่ลงมือจหน่อยยกขึ้นเอาทูปก้าที่หนึ่งปุกัวมือพ่อชันที่สงที่สามเรื่ยก็แล้วก็มากราระระระปดิมากรรมแบบนี้ต้องพอมองลูแล่แจะเป็นฟางไหนฟางไหน อันนี้เป็นปางมารวิยัยแต่ว่าเป็นสมัยเทียงแสนลูกใหญ่นั้นมีเก้าผมไม่เหมือนสมัยสุขโขทยัยรูกข้างหน้าสมัยกุศสุสขโขทยัยอ น, นั้นเทียงแสนก่อนก่อ น, อนโลกนี้แต่ปางเดียวกันแต่ลูกคนละคนละแบบอันูปสององนี่เรียกว่าสาวกเพราะไม่มีเกไม่มีเกศ ไม่เหมือนไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอาไปตั้งโต๊ะหมกกู่เขไม่ได้ไม่มีเกศที่นี่อันนี้ก็เป็นเป็นข้อเพิ่มเติมปีกย่อยเด็กเต็มอ็อสงวนเกศไปเลยอาปาป้าแบบ